เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่พระจะทำพิธีเรียกว่าอุปโลกเนาะทำการกระถินก็ขอากาศประเทดานุเทระนะครับแล้วก็เพื่อนธรรมีทุกท่านก็ก็อาตมาขอถือเป็นตัวแทนของที่พักสงค์วิริยธรรมเนาะที่ญาโยมทั้งหลายมาร่วมกัน ถวายกระถิญนะปีนี้ก็เป็นปีที่สี่ที่ที่พักสงวิริยาธรรมนะเดิมชื่อว่าอาศบวิริยาธรรมนะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นที่พักสงวิริยาธรรมแต่ก็ชื่อเปลี่ยนนะแต่ความตั้งใจก็เหมือนเดิมนะความจังความจ้งใจของที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่อาจารย์กำพลทองบนนุ่มแล้วก็ชมรมเพื่อนคุณธรรม แล้วก็ทางวัดป่าสุขโตแล้วก็ที่จริงก็ญาติธรรมจากหลายๆที่ได้มาร่วมกันเนาะทำให้ที่นี่ให้เป็นสัพยาาาสถานเพื่อการปฏิบัติธรรมปีนี้ก็มีเจ้าภาพทางโรงเรียนนุ่งอรุณ น, นะสถาบันอาสมศินอาคารทําดีตุ่งโรดชมลมขึ้นคุณธรรมแล้วก็ จากหลายๆที่เนาะที่มาร่วมกันในวันนี้นะนะก็ถือว่าพวกเราเป็นญาติทางธรรมกันเนาะนะนะบางคนก็อาจจะเป็นญาติทางสายเลือดกันนะแต่ญาติทางธรรมเนี่ยเรามีเรามีธรรมะนะเป็นเครื่องเรียกว่าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเครื่องประสานซึ่งกันและกันเนาะธรรมะก็มีหลาย หลายหมวดหลายอย่างนะธรรมะในงานกระถินที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเรื่องความสามัคคีนะความสามัคคีนี้ไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องคิดเหมือนกันเห็นเหมือนกันทำเหมือนกันเนาะแต่ความสามัคคีนี่คือความเข้าใจกันนะบางทีเราอาจจะคิดแตกต่างกันได้เราอาจจะทำแตกต่างกันได้แต่สิ่งหนึ่งคือเรามีความเข้าใจกัน ฉันชาวพุทธเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือคือความสามัคคีความเข้าใจกันเนาะอาตมาเองไม่อยากให้รู้สึกว่าเป็นการแบ่งแยกสายว่าอย่างที่นี่เนาะสายหองพ่อเทียนนะหรือว่าวัดป่าสุกโตนะนะเพราะที่ไหนๆก็ได้แต่นะถ้าเป็นการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์นะทาให้ทำให้คนมี มีความทุกข์น้อยลงทําให้คนมีความสุขมากขึ้นนะอันนั้นแหละก็คือตรงตามคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วหรือแม้แต่บางที่อาจจะไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นชาวพุทธนะแต่สิ่งที่เขาสอนเขาปฏิบัติถ้ามันเป็นหนทางที่ทําให้คนมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงเนะี่ยเราก็ควรชื่นชมอนุโมทนาเนาะ พวกเราเองไม่ควรที่จะต้องไปแบ่งว่าใครดีกว่าใครนะใครถูกกว่าใครนะที่จริงถ้าหนทางนั้นมันเป็นนาไปสูนะ่ความไม่ทุกข์นะหรือทุกข์น้อยลงนั้นนะก็หน้าอนโมทนาทั้งนั้นแหละนั้นการกระทําของเราทั้งหลายนะทุกคนนะก็ที่มาเรา ท, ที่เรามาประพฤติปฏิบัติแบบนี้เนาะก็ที่จริงหลายท่านก็อาจจะคิดว่างานกระถินนะเป็นงานที่มีอเนสง ใหญนะ่มีบุญมากที่สุดเนาะอันนั้นก็อาจจะเนื่องด้วยความสามัคคีที่ที่พระสงฆ์นะคือแต่ก่อนเนี่ยพระต้องมาตัดจีวรเองมาเย็บจีวรเองมาย้อมจีวรเองให้เสร็จภายในหนึ่งวันแล้วพระก็จะได้การกระถินได้นะนั้นต้องอาศัยความสามัคคีของหมู่สงฆ์มากนะตั้งแต่อยู่ร่วมกันสามเดือนแล้วก็ ไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่แยกออกไปจากวัดก่อนกำหนดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำยากนะเพราะว่าบางทีพระเองก็มาจากหลายที่หลายความคิดความเห็นการมาอยู่ด้วยกันสมเดือนเนี่ยก็เหมือนเหมือนต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนาะมันก็เป็นเรื่องยากถ้าเราไม่สามารถขีกันนะไม่เข้าใจกันส่วนญาติโยมเองก็การที่ถวายผ้ากรถินก็คือเหมือนเป็นการ อนโมธนากับพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีกันเนะเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าเหลือวิสัยของคนทั่วไปเนาะออการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่แต่เฉพาะพระนะญาโยมเองก็สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้นะดงนั้นเรามางานกรถินหน้าที่นี้ก็ดีหรือว่า เราไปงานในที่อื่นก็ดีนะหรือเราทําบุญที่อื่นก็ดีเนาะถึงสําคัญจริงๆของบุญคือจิตใจนะอืมบุญจริงๆไม่ใช่อยู่ที่ผ้าไม่ใช่อยู่ที่บริวารต่างๆว่าราคามากหรือว่าราคาน้อยนะปริมาณมากหรือว่าปริมาณน้อยบุญจริงๆคือความบริสุทธิ์ของใจของเราเนาะ เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าจิตใจของเราบริสุทธิ์เรายินดีที่จะให้จริงๆริะเราอนโมธนากับผู้ที่รับสิ่งที่เราให้จริงๆเนี่ยจิตใจเรามีบุญนะเรามีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ที่จริงถ้าคนที่ทำบุญบริสุทธิ์ใจจริงๆนะทำแล้วก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องได้อะไร <c oughs> ไม่ต้องคือบางทีคนคนเรามาคิดว่า เราทำบุญเพื่อเราจะได้หวังหวังสิ่งตอบแทนจากบุญเนาะเช่นอาจจะสุขภาพดีขึ้นอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นหรือว่าอาจจะไม่มีปัญหาในอนาคตนะหรือบางคนคิดว่าชาติหน้าก็จะได้ไม่ลำบากเหมือนชาตินี้นะอันนั้นก็ยังเป็นการทำบุญที่จิตใจยังไม่ค่อยบริสุทธิ์นะถ้าใคร อยากจะทำให้บุญกุศลของเราบริสุทธิ์มากขึ้นนะต้องทำใจด้วยให้ใจบริสุทธิ์ขนาดที่ทำก็มีความยินดีที่ทำเนาะทำเสร็จแล้วก็ไม่ต้องหวังว่าจะต้องได้อะไรตอบแทนนะใจเราบริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์น่าแดกคือใจที่มีบุญสูงสุดเลยเนาะเราจะทำบุญกระถินที่นี่หรือว่าเราจะทำบุญที่ไหนก็เพื่อฝึกให้ใจิตใจมีความบริสุทธิ์นะ จิตใจบริสุทธิ์ก็คือลดความลดหรือว่าละหรือว่าเลิกนะความโลภความโกรธความหลงนะความเห็นแก่ตัวนะความมีตัวตนมีอัตามานะมีการยึด ต, ติดถือมั่นนั่นแหละยิ่งเราลดละเลิกได้มากเท่าไหร่เนี่ยใจยิ่งบริสุทธิ์มากเท่านั้นอันนี้คือบุญที่สูงมากเลยนะนะนั้นก็อาตมาเองก็อยากจะฝากให้พวกเราได้ เอาธรรมะเอาแง่คิดตอนนี้เนาะไปประพฤติปฏิบัติกันนะจะทําอะไรก็แล้วแต่นะเราสามารถปฏิบัติทําได้นะทุกที่ทุกเวลานะพระเจ้าบอกว่าธรรมะเป็นเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการนะแล้วก็ไม่จํากัดสถานที่ด้วย <c oughs> นะก็ให้เราเอาข้อคิดตัวนี้นะไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตปัจจำวันของเรา เพื่อชีวิตเราจะได้เรียกว่าเกิดความสงบสุขภายในจิตใจมากขึ้นเนาะสุดท้ายนี้มาก็ต้องขออนุมโมทนากับทางเจ้าภาพทุกๆท่านเนาะโดยเฉพาะปีนี้ทางประธานก็คืออาจารย์ธีรพลอาจารย์ประพาภัทรนิยมนะของโรงเรียนนุ่งอุดลทถฐบันอาสมศิลนะที่ก็เป็นยติธรรมคุ้นเคยกันมานานโดยเฉพาะ เป็นเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนร่วมงานของพระจันตุ้มนะที่เป็นที่อยู่ที่นี่เหมือนกันนะแล้วก็ทางอาคารธรรมดีนุ่งโรดก็สนับสนุนสร้างศาลาตรงนี้นะตั้งแต่ปีแรกนะปีนี้ก็นำรถกระบะมาถวายอีกหนึ่งคันแล้วก็มีญาติธรรมอีหลายคนมาร่วมกันทางชมรมเฮือุณธรรม ก็นำโดยคุณเอนะที่ในหน้าประเสริฐพักดีนะปีนี้ก็ถวายที่เพิ่มขึ้นอีกสามสิบไร่ด้านหน้า <c oughs> อ่าคือแต่ก่อนก็อาสมก็อยู่ข้างหน้าต่อไปก็ขย า, า, ายไปข้างหน้าด้วยเอออยู่ข้างหลังตรงนี้ก็แล้วก็จริยธรทุกทุกท่านนะก็ขออภัยมาก็ไม่รู้ว่าแต่ละท่านมาจากที่ไหนบ้างนะ <c oughs> แต่ก็ให้ถือว่าที่นี่นะ ทุกคนสามารถมาปฏิบัติได้มาพักอาศัยได้เนาะถ้าใครอยากจะมาปฏิบัติธรรมก็มาใช้ที่นี่เพื่อการปฏิบัติธรรมได้บุญกรถิ่นที่ย่าโยมนํามาถวายต่างๆนะเป็นผ้าก็ดีเป็นบริบาลต่างๆก็ดีก็เพื่อมาบํารุงสร้างเสนาสนะให้มันสัพยะในการพักอาศัยแล้วก็ปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วก็บํารุงเรื่องอาหารเรื่องทิ้งต่างๆให้มัน ่ออำนวยให้คนมาปฏิบัติธรรมมากขึ้นเนาะก็ถือว่าทุกคนเนาะได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันเนาะทำมากทำน้อยไม่เป็นไรนะขอให้ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละเราจะได้บุญที่สูงสุดเนา ะ, อ, ะอนโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านนะเดี๋ยวต่อไปพระจะการกระถินหลังจากการกะถินแล้วก็เจ้าภาพก็ประเคนผ้าอีกทีหนึ่งแล้วก็พระส่งก็จะให้พรเนาะ